เมื่อสักสาที่ก่อนนะมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นที่กล่าวขานะโจทจันกันนะโดยเพพาะในเรีว่าในแวดวงอินเทอร์เน็ตนะซึ่งมันเป็นกรณีที่น่าสนใจนะเป็นกรณีที่น่าศึกษา แล้วก็มันน่าจะเตือนใจผู้คนได้มากแต่ก็ไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่จะเอามาใช้เตือนใจเตือนตนได้หรือเปล่าเพราะว่าธรรมชาติคนเรามันก็มีแนวโน้มที่จะส่งจิตออกนอกเรื่องของเรื่องคือว่า มันมีพิธีกรหนุ่มคนหนึ่งน ะ, ะชื่อน็อตนะก็เป็นก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งนะไม่ถึงกับดังเท่ากับเจนจีลายุหรือว่าพวกดาราละครเราก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเยาวชนดีเด่น อายุก็ไม่มากหน้าตาก็ดีก็มีวันหนึ่งเขาขับรถรถก็คงจะราคาแพงนะแต่ไม่ถึงกับเป็นเบน์นะนะเป็นก็เรียกว่าเป็นมินิคูเปอร์อย่างเงี้ยแล้วก็มันคงมีช่วงหนึ่งที่เกิดว่าจราจรติดขัดแล้วก็เกิดมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะก็บงังเอิญไป สนท้ายท้ายเ็จก็รถคันนั้นก็ขับเลยผ่านไปเหมานถึงมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าผ่านไป ไ, ได้สักพักเขาก็คงรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหรท่ที่ทำตัวมันตีนผีเขาก็เลยตีรถกลับอ้อมรถกลับมา แล้วก็มาจอดตรงฝั่งตรงข้ามกับไอ้รถคันนั้นแนหะรถของนอนะ็นอตเนี่ยน็อตนั่นเขาก็รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ก็่ อ, อยผู้ชายคนนี้มาตรไซ์เนี่ยมาจอดตรงฝั่งตรงข้ามก็กเลยเดินไปไอ้ช่วงนั้นถนมก็โล่งพอดีอนะ้ก็เลยก็เลยเห็นภาพชัดนะ เขาก็ไปต่อว่าผู้ชายคนนั่นซึ่งชื่อบอยนะตอว่าไม่พอก็เรียกลากคอเลยนะลากคอมาที่รถของเขาซึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ดา่าทำนองว่าทำไมชนเรื่องหนีทำไมชนเรื่องหนีก็ดา่า ดาด้วยความโกรธมากทั้งนั้นไม่พอนะก็ยังต่อยนะต่อยหน้าต่อยเสื็อก็ดา่าแล้วก็ต่อยแล้วก็ดานะ่าแล้วก็ต่อยอีกทีก็บังเอิญมีรถแท็กซี่คนหนึ่งเด่นผ่านมาก็เลยบอกว่าเนี่ย ไปทำร้ายก็าทำไมถ้าไปไปที่ทำํำไปให้ถ้าเขาทำไม่ถูกก็ไปที่สายตำรวจสิน้อยคงจะได้คิดขึ้นมานะก็เลยก็เลยหยุดต่อยแต่ก็ยังไม่หายแค้นนะโกรธมากนะก็ไปบังคับให้บอยเนี่ยนะกราบรถนะ กราบรถเขาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยบอยนี่เาก็ยอมนะไม่ต่อเขาก็ไม่ต่อสู้ไม่ตัดขืนทั้งอีกตัวก็ใหญ่กว่าแล้วเขากราบรถทั้งหมดนี่ก็มีคน เ, นเห็นเหตุการณ์เยอะมากนะเพราะเป็นย่านชุมชนก็มีคนถ่ายรูปถ่ายวีดีโอคลิป แล้วเอาขึ้น Facebook ก็เลยเป็นข่าวเลยคนนี้คนก็รวมดา่าน็อตเนี่ยเก็ต้องฉายาว่าน็อตกราบรถกูน็อตกราบรถกูแฮชแทกว่ากราบรถกูอันนี้บอยนี่เขาก็าก็ถูกทำร้ายเนี่ยเขาก็เลยแก้งความ ตำรวจเขาก็เลยเรียกนยะน้อนนี่ก็ตอนที่ไปสายตำรวจก็ไปกับทนายผู้สื่อข่าวก็มากันเต็มเลยเพราะว่าเฟซบุ๊กที่มันกระจายไปทั่วยิ่งน้อนนี่เป็นดารายอยู่แล้วไงกดรู้จักเยอะนะสื่อมอวลชนก็ไปทั้งโทรทัศน์ทั้งนังสือพิมพ์ ไปสัมภาษณ์น็อตมันก็ไม่ยอมรับผิดนะก็บอกว่าเนี่ยตัวเองคาเขาทำถูกแล้วนะเพราะาไอ้ไอ้หมอนนะั่นมันชนแล้วหนีเขาบอกเขาเป็นผู้เสียหายพอเราเขาถูกชนนะทนายความก็เพื่อคล้ายๆกันว่าน็อตเป็นผู้เสียหาย ไม่ยอมรับผิดว่าเนี่ยตัวเองทําผิดที่ไปต่อยคราวนี้เลยเป็นเรื่องเลยเพราะว่ามันมันมีสื่อมวลชนไปถ่ายคาสัมภาษณ์เนี่ยเยอะเผยแพร่กันทั่วทางโทรทัศน์แต่เดิมก็แค่เผยแพร่ทางเฟ e b o o k ตอนนี้กระจายไปทางโทรทัศน์ทางสื่อมวลชนกรมีก็เลยซึ่งเบ็ดต้อนสังกัดก็เลย เรียกว่าเลิกสัญญาเลยตามมาด้วยรายการต่างๆก็เลิกสัญญาแล้วก็รายการต่างๆที่เคยเชิญก็เป็นพิธีกรก็ตามอีเวนต์ต่างๆก็เลิกนะงดเชิญใครเจ ก, กันในเฟซบุ๊กในอินเทอร์เน็ตก็มีการลุมกระ น, น่ำดา่าเรียกว่าติดต่อเนื่องกันหลายวัน จนกระทั่งจนกระทั่งเรียกว่านอนนี่ไม่ไม่มีที่ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนอนาคตของการเป็นพิธีกรก็หรือการเป็นดาราก็หมดนะดับบุ้งฝรั่งก็ยอมรับนะยอมรับผิดนะขอโทษนะแต่มันก็สายไปแล้ว เรื่องก็เป็นข่าวอยู่นะเ ป, นเป็นเป็นอาทิตย์เลยมั้งลงมาจากวัดนี่โอ้โอยังมีคนพูดถึงเวลาเอ่ยชื่อบอกกาบลักกูนี่ใครๆก็รู้อันนี้เป็นประเด็นที่น่าศึกษามากเนะื่องเพราะไอ้ความการที่รอดเนี่ยนะ ก่อเหตุขึ้นมาเนี่ยมันก็ชัดเจนนะเพราะความโกรธนะความโกรธมันทำให้ลืมตัวพอลืมตัวก็เลยทั้งดา่าทั้งต่อ ย, น, ยนี่โกรธเพราะอะไรนะโกรธเพราะว่าความห่วงแหนในรถรถกูนะรถของกูมันจะสึกเจ็บปวดมากนะรถถูกชนท้ายเนี่ย ้เรียกว่ะไฟสัญญาณข้างท้ายก็แตกในเขาส่งน้อ น, นี่มันมความหวงแหนในรถเนี่ยยึดมั่นมากแบบรถของกูรถของกูมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันความส่วนรถกูว่ารถเนี่เป็นตัวกู ด, ด้วยรถถูกชนท้ายก็เหมือนกับว่ากูนี่ถูกชนไปด้วยแ้นมาก ให้ความแค้นมันก็มันก็ก็หมายถึงความทุกข์นะเจ้าตัวนี้ก็ทุกข์มากความทุกข์มันทำให้เกิดความความโกรธหมายจะตอบโต้ทำร้ายเพื่อแก้แค้นอันนี้ก็เป็นเป็นกรนเห็นได้ชัดเลยนะว่า ความทูกเพราะไอ้ความยึดมั่นในตัววงกูเนี่ยถ้าเป็นรถคนอื่นนี่ล่างผงไม่สนใจหรือถ้าเป็นรถเพื่อนก็อาจจะไม่ถึงกับโกรธขนาดนี้แต่เป็นรถที่เขารักหก่วงแหลนมาเสรีไรความรักรถเนี่ยก็กลายเป็นว่าทําลายตัวเองเนี่ยทําลายตัวเองทําให้ สูญเสียอะไรต่ออะไรมากมายตามมาโดยรวมทั้งอนาคตการเป็นดาราการเป็นพิธีกรสูญเสียความน่าเชื่อถือสูญเสียความเป็นสูญเสียภาพลักษณ์คนก็เรียกร้องว่าเนี่ยไอ้รางวัลเยาวชนดีเด่นเนี่ยควรจะถูกลิบซะไม่สมควรเป็นเยาวชนดีเด่นเลยไอ้เพราะความรักรถเนี่ยนะมันทาให้สูญเสีย สิ่งมีค่าต่างๆมากมายเจ้าตัวตนนั้นเองก็คงลืมไปแล้วว่าตัวเองรักรถมากกว่ารักตัวเองคนเราก็ไม่งี้แหลรักรักรถรักเงินมากกว่ารักตัวเองสามารถจะทําร้ายตัวเองได้เพราะความรักความโงแหาในสิ่งของต่างๆเม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าผู้อื่นแต่ความโกรธนี่มันไม่ใช่มีแค่นั้นนะถ้าพิจารณาด้วยดีเนี่ยคนเนี่ยคนหลายคนก็ไม่ได้มองไปอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันซึ่งมันเป็นเหตุปัจจัยที่ซ้อนทับทำให้นนอนิมโกรธถึงขั้นทำร้ายคนที่ชื่อบอยคือ เขาเห็นว่าบอยนี่มันทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจคือชนแล้วหนีนะนันนเป็นการการะทำที่เขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากเขาเลยโกรธเนี่ยโกรธแล้วเลยต้องการสั่งสอนต้องการสั่งสอนว่าทีหลังอย่าชนแล้วหนี สั่งสอนยังไงสอนด้วยการด่าแล้วการต่อยไอ้ชนแล้วหนีเนี่ยมันสิ่งที่ไม่ถูกก็จริงนะแต่เขาลืมไปว่าการต่อยคนที่ชนแล้วหนีนี่มันก็ผิดเหมือนกันไอ้ความรู้สึกอยากจะความรู้สึกโกรธความรู้สึกเกลียดคนที่ทําผิดนะชนล้นหนีเนี่ยมันทําให้เขานะต่อยต่อยแล้วต่อยอีก ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันชื่อเลยนะว่าไอ้ความหลายครั้งเนี่ยนะคนเราเนี่ยก็มักจะทําผิดเพราะความยึดมั่นถือมั่นในความดีการยึดมั่นถือมั่นในความดีเนี่ยเราเห็นคนทําไม่ดีเห็นคนทําชั่วเนี่ยบางทีมันก็นําไปสู่ความการกระทําที่ ชั่วลายอีกแบบหนึ่งขึ้นมาไอ้เพืปอเขาเป็นคนที่เรียกว่ายึดยึดถือในเรื่องของความถูกต้องกันนะแล้วคงมีความยึดคงมีความยึดถือในความถูกต้องระดับหนึ่งนะถึงได้เป็นเยาวชนดีเด่นพอเห็นใครทาไม่ถูกต้องขึ้นมาก็โกรธและความโกรธนั้นก็ทาให้ลืมตัว จนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้โกรธเกียดที่เขาชนแล้วหนีแต่ตัวเองกลับทำสิ่งที่แย่กว่าชนแล้วหนีนะคือไปต่อยหน้าเขาแล้วก็ไม่รู้สึกผิดอีกนะไอ้ตอนที่ต่อยนี่ก็ต่อยหน้าผู้ค น, นามากมายยังไม่รู้สึกผิดรู้สึกว่าทาถูกพอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาตารวจเรียกต้องไป ต้องไปพบตำรวจผู้สื่อข่าวก็มาเยอะก็ออยังไม่ยอมรับอีกว่าตัเองผิดก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกะระทําอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าน่าน่าวิตกเนี่ยคือเขาคิดว่าในเมื่อเขาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผู้ถูกกะระทําเนี่ยเป็นผู้เสียหายเนี่ย กขามีสิทธที่ทําอะไรกับคนที่สร้างความเสียหายกับเขาก็ได้กูเสียหายเนี่ยแม่งกูจะต่อยมันมันก็เป็นผิดตรงไหนเลยอันนี้มันเป็นทั้งทิฏฐินะแล้วก็มาหน้าไปพร้อมๆกันเลยนะไอ้ความหวงแหานรถนี่มันเป็นตันหา แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ปัญหานที่ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวความรู้สึกว่าเนี่ยหนึ่งคนผิดเป็นคนทำผิดเนี่ยคนชนแล้วหนีเนี่ยเป็นคนที่แย่มากคุรได้รับการตอบโต้คุณได้รับการทำร้ายหรือว่าลงโทษให้สาสมเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นความเห็นที่มันผิดอยู่แล้ว แล้วก็เกิดจากความยึดติดถือมันในในความถูกต้องความยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยควายึดมั่นมากๆเนี่ยพอใครทําไม่ถูกต้องนี่ยมันโกรธนะแล้วมันโกรธมันทาให้อยากจะลงโทษทําร้ายให้ลงโทษอะไรทำร้ายเนี่ยนะถ้ามันเป็นเพราะความลืมตัวแต่ถ้ารู้ตัวแล้วเนี่ย เรากลัวลว่าผิดนะเฮ้ยพอเรามันไปต่อยแล้วมันผิดอันนี้มันก็ยังพอทําเนานะแต่นอนนี่หนักกว่า น, นั้นนะพอพอหายโกรธแล้วเนี่ยเตียงยิงกล้าเตียงไม่ผิดยิงกล้าเตียงไม่ผิดพ่ออะไรหนึ่งกลัวเสียหน้าคนเรานี่ทําผิดแล้วเนี่ยยอมรับผิดเนี่มันเสียหน้ามากเนะ่ะ ไอ้กลเสียหน้านี่เรื่องมนันนะผิดยังไงก็ต้องยืนยันว่ากูไม่ผิดกูไม่ผิดทั้งที่คนก็เห็นมันทั่วประเทศอนี่เป็นมานนะกูไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ใช่มานนะแต่มันเป็นทิฏฐิด้วยว่าเนี่ยคนคนที่ทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยไอ้คนที่ชนแล้วหนีนี่มันสมควรนะ ที่ต้องเล่งานมันเล่นงานมันเท่าไหร่ก็ถือว่าถูกทางที่ไอ้การที่ไปทําลายเขาที่มันหนักกว่าการที่ชนแล้วหนีชนแล้วหนีมันแค่ทําลายทรัพย์สินทําให้ทรัพย์สินเสียหายนี่ยมันไปต่อยเขาแต่คนคิดแบบนี้เยอะนะไม่ใช่คนที่ทําผิดแล้วดีกล่าวว่าตัวเองไม่ผิดเนี่ยนะ แต่เพลว่าทำไงก็ได้กับคนที่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยนี่เราเห็นทั่วไปเวลาตำรวจเอาผู้ต้องหาเนี่ยคดีฆ่าคมขืนมาทำแผนประกอบคบรับสารภาพเนี่ยในจุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะมีคนมามุงดูเยอะนะเป็นสิบเป็นร้อยแล้วก็หลายครั้งเนี่ยคนที่มุงดูก็ไปรวงกระทืบ บางทีลงกระทื้นจนจนสุดไปเลยคนที่ลงกระทื้นนี่เพราะเขากระทื้เพราะอะไเพาะเห็นว่าไอ้นี่มันเลวแต่ว่ไม่ได้คิดแค่นั้นนะคิดต่อไปว่าเนี่ยไอคนเลวนี่เนี่ยสมควรจะถูกกระทืบแล้วคนที่กระทื้นี่ก็ไม่ควรตัวเองผิดเพราะว่ามันเลวเนี่ยมันเลวนี่กูจะทาไงกับมันก็ได้ น, นีมันเป็นมิจฉาเ น, นี่ยมันเป็นมิจฉาทิฐิอย่างหนึ่งเนะี่ยมันไม่ใช่ทำด้วยความโกรธเดียวมันทำด้วยความรู้สึกว่าตัวเองทำถูกต้องด้ออันนี้เราเห็นได้ทั่วไปนะบางทีไอ้พวกคนเมายาบ้านี่ไปจับผู้จับเด็กจับผู้หญิงมา เป็นตัวประกันนานหลายชั่วโมงตำรวจก็มาสามารถจะล่อหลอกนะจนกระทั่งตัวประกันเป็นอิสระแล้วก็จับผู้ชายคนนั้นได้ซึ่งกำลังเมาเอาเท่านี้แหละนะประชาชนที่ลุมล้อมอยู่เข้าไปลุมกระกทึบบางทีถึงตายก็มีนะถู่ถึงตายแล้วคนที่กระทึบนี้ก็ไม่สวนผิดนะ เพราะอะไรเพราะมันเลวเมื่อมันเลวแล้วกูจะทํำไงมันก็ได้นั่นนี่เป็ น, ป น, ปนทิฏฐิเป็นความเชื่อเป็นทัศนคติที่มันแพร่หลายถึงเกิดเหตุการณ์หกตุลาเนี่ยเอาพวกนักศึกษาที่เชื่อเป็นคอมมิวนิสต์มาแกล้งคอเอาก็อีฟาดเนี่ยคือใครก็ตามก็ทําทชั่วแล้วเนี่ยกูมีสิทธิ์ที่จะทําร้ายมันได้ สามารถจะทำช่วยในนามความดีก็ได้อันนี้เป็นทิฐิเป็นทัศนคติที่เป็นแพร่ไปทั่วแล้วก็เกิดขึ้นนะในวงการอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอรู้ไอ้นอตทำเงี้ยก็ลุมดา่าด่าด้วยเท่าคำเสียหายแล้วก็พยายามที่จพมที่จะกดดันเรียกร้องให้ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ น, นอตนี่เนะี่ย หอนตวกมาลุมดา่าเสียหายบางทีก็ลามไปถึงครอบครัวกะว่าจะทำให้ไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดเลยอันนี้ก็เป็นการลุมยำนะเป็นการลุมยำไม่ต่างจากในลักษณะเดียว ก, กันกับลุมยำพวกผู้ต้องหาข้าวขมคืนในในจุดเกิดเทตเนี่ย แต่แทนที่จะลุมยำด้วยด้วยเท้าก็ไปลุมยำด้วยคําด่าหลายคนก็ด่าออตว่ามันทําไม่ถูกที่ไปต่อยเข า, าเขาแค่ชนเรื่องนี้เแต่มึงทําไมไปไปต่อยเขาสงควรถูกด่าแต่บางทีการด่ามันก็เกินเลยไปแต่คนก็รู้สึกผิดเพรเขาสึกว่าทําถูกแล้วที่เพราะว่าไอ้น็อตมันเร็ว คนผิดคนเลวนี่มีสิทธิ์เป็นศูนย์อันนี้เป็นความคิดที่มันแพร่หลายไปทั่วใครที่ทำผิดใคร ท, ทำไม่ถูกเนี่ยสมควรที่จะถูกลงโทษด้วยวิธีใดก็ได้แล้วคนลงโทษก็ไม่รู้สึกผิดนะที่ทำอย่างนั้นต้าที่มันทำเกินเห็นนัดมันก็ทำเกินไปนะจึงถูกด่าแต่ขณะเดียวกัน การไปด่าเขาเนี่ยมางทีมันก็ทำเกินเหตุเหมือนกันทว่าลุมด่าจกนกทั่งไม่เป็นผู้เป็นคนเลยมันเคยมีนะในในหลายหลา ย, ลา ย, ลายในหลายประเทศเนี่ยมันอย่างเช่นนที่อิตาลีมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขาแต่งตัว ก็แต่งตัวดูมันดูไม่ค่อสุภาพเท่าไหร่แต่งตัวแบบโป๊ๆนี่นะในที่สาธารณะก็มีคนถ่ายรูปขึ้นเฟซาะคนไปลุมด่าด่าด่าด่าด่าเกี่กบงนั้นนี่ก็เรียกว่าเสียผู้เสียคนไปเลยไปที่ไหนก็มีคนมองงานการก็ทำไม่ได้ ก็เก็บตัวไปอยู่บ้านป้าแล้วก็เครียดจัดสุดท้ายก็ค่าตัวตายค่าตัวตายเขาตายเพราะอะเพราะว่าถูกด่าจนก่าทั่งไม่มีที่ยืนเสียผู้เสียคนไปนี่ก็ว่าคนที่ไปลุมด่าเขาก็มีส่วนทำให้เขา ผู้หญคนนี้ค่าตัวตายผู้หญนนี้อาจจะทําไม่ถูกในสายตาของเขานะแต่ว่าการที่ไปลุมด่าเขาเนี่ยจนกระทั่งเขาไม่มีที่ไปนี่ก็มันก็เป็นสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าแย่ยิ่งกว่าการที่เขาแต่งตัวอโป๊ๆสิบ่อยครั้งการสั่งสอนคนชั่วเนี่ยหรือคนทําให้ถูกนี่ บางทีมันแย่ยิ่งกว่าคนที่ตัวเองกำลังสั่งสอนสิทธินะ์เนียอย่างนอนนี่ไปต่อยไปต่อยบอยเนี่ยบอลทาให้ถูกเนะี่ยแต่การไปต่อยก็มันแย่ยิ่งกว่าการที่เขาชนแล้วหนีานการเดียวกันในการที่ไปต่อยเขาไม่ถูกต้องกัจริงแต่การที่ไปรุมดา่าเดี๋ยวนั้นเาหมดอนาคตนี่บางทีอาจจะแย่กว่าการที่ไปต่อย้ก็ได้นะ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นการศึกษานะที่คนที่น่าน่าจะไต่ตรองแต่คนก็คงไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้เท่าไหร่ไอคนที่ด่านบ้าก็คิดแคตัวเองทําถูก mm. เหมือนกันนอตที่เราคิดตัวเองทําถูกที่ไปต่อยบ่อยนี่เป็นเป็นมันเป็นทัศนคติที่ที่มันแพร่หลายไปทั่ว แล้วก็เห็นเห็นไปทั่วไปบ่อยเห็นบ่อยๆอย่างเช่นมีในช่วงในในหลวงสวศกาลคตเนี่ยก็มีบางคนไม่อาจจะไม่ได้ทําตามประเพณีไม่ใส่เสื้อสีดำบางทีก็ใส่เสื้อสีแดงหรือบางทีก็โพสต์ข้อความหรือพูดบางคำที่อาจจะดูเหมือนว่าไม่ได้เข้าหูคนเท่าไหร่ คนที่อยู่รอบข้างก็โกรธนะไปทำร้ายเขาแล้วก็สสวนตัวเองทำถูกนะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันแย่มันเลวมันไม่สำนึกในบุญคุณไม่มีความกตัญญูในหลวงอันนี้ก็เป็นเงินเดือนหน้างที่การในการที่เขาคิดยังไงพูดยังไงมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายเท่ากับการที่ไปไปทำร้ายร่างกายเขา คำพูดบางอย่างก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเลยนะหรือการกระทำบางอย่างเช่นใส่เสื้อสีแดงไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแต่การที่ไปทำ้ายร่างกายนี่มันมันผิดแน่นอนแล้วบางทีก็ไปดันกระทากับคนที่เป็นบ้าเลยนะคนเป็นบ้าก็พูดพูดพูดเปิดเปิดไปหมดบนรถเมบางทีก็พูดถึงพระราชาในละครไปดูที่เกมมาแล้วก็พูด ตอบว่าพระราชาไอ้คนฟังก็นึกว่าไปผููจํามิ่นในหลวงกันเลยไปไปทำร้ายเขาเนี่ยพอมารู้ว่าอ้าวอันนี้เป็นคนบ้าเนี่ยหมอก็ยืนอยู่นี่บ้าก็เลยต้องก็เรู้ว่ตัวเองพลาดเวลาที่ทําอะไรทีร่มันคนจะรู้ว่ตัวเองพลาดตั้งแต่ตอน ท, ที่ไปทําเขาแล้ว เขาจะบ้าหรือไม่บ้านี่ก็ไม่มีสิทธิ์ ท, ทําเขาอยู่แล้วแต่คนเรามักจะคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์นะเหตุผลก็คือว่ามันไม่ดีมันเลวแล้วก็ต้องจัดการในความคิดว่าคนเลวนี่เรามีสิทธิ์ที่จะทําอะไรกับมันก็ได้นี่มันมันสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับผู้คนมาก ตอนนี้ก็มีข่าวนะวันสอสัปดาห์ก่อนนะนะพอเรื่อง น, อน็อตเรื่องน็อตเนี่ยมันก็ยังเป็นข่าวไปเรื่อยๆนะถ้าไม่มีอีกเคสหนึ่งขึ้นมานะผู้หญิงชื่อเบสเบสเป็นนักนักพูดร้อยศพนะคือดังจากการที่ไปพูดทางานศพพูดชวนให้คนมีความกตัญญูในพ่อแม่บุปการีซึ่งตอนนี้เสียชีวิตแล้ว ชื่ออรพิมพ์นะเพิ่งรู้จักนี่แหละแต่ได้เขาเขาดังมานานแนละ้วไปพูดปลุกใจตามที่ต่างๆก็เป็นเยาวชนดีเด่นเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้อายุสามสิบแล้วก็เกิดไปพูดมีคนเอาคลิปวิดีโอที่เธอไปพูดที่สารคามให้กับโรงเรียนมัธยมผู้เรื่องรักในหลวงนี่แหละเกิดสิบชาติก็ ไมมีโอกาสได้พบมหาราษฎรพิพนอะไรทํานองนี้นะชื่อคำบรรยายแล้วก็พูดทํานองว่าเนี่ยทําไมคนอีสานไม่รักในหลวงนในหลวงนี่ยทำอะไรคนดีสานเยอะหรือว่าคนดีสานเกิดภายหลังที่พระองค์นี่ชาลาแล้วนะไม่ได้ทําอะไรอ ไม่ได้เสด็จประพาสนะอย่างที่เคยทำเนี่ยอะไรทานองเนี่ยนะข้อความคือว่า้องอยากจะเพื่ความเจนนักยัยคนเนี่ยคนอิสานเนี่ยสำเนียงบนคือของในหลวงรักในหลวงแต่ไม่มีคำพูดที่ว่าทานองว่าในคนอิสานไม่รักในหลวงเอานี่แหละเป็นเรื่องเลยพอขึ้นเฟซขึ้มานี่มีคนตัดข้อความอ้กมาสองสามนาที คนอีสานนี่ก็ลุงกันนำอีเวนต์ต่างๆที่เชิญเบสไปพูดก็ต้องเลิกนะกลัวโดลูกหลงไปด้วยจนเจ้า ต, ตัวต้องมาขอโทษนะขอโทษก้าไม่มีเรื่องนี้นะเรื่องน็อต ก, กาบรถกลัวคงจะดังต่อไปเนี่ยแต่ตอนนี้คนคงลืมไปแล้วนะนอถ ก, กาบรถกูวเพราะว่าเบสมาแทน ในในในในพวกเครือข่ายโซเชียลมีเดียมันก็จะมีเรื่องทำนองนี่แหละคนหนึ่งเผลอทำผิดก็ถูกดา่าแต่ก็ถูกด่าได้ไม่นานก็มีลายใหม่ขึ้นมาคนก็แห่ไปดา่าลายใหม่คนลาย ก, าก่าก็คนก็ไม่สนใจแนละ้วไม่ทันสมัยนะสู้ด่าบเบสดีกว่าตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวไม่นานเบสคงจะ แถวไปนะพอมีรายใหม่มาแทนที่คือมันจะมีมันจะมีเหยื่อเนี่ยโผล่มาเรื่อยๆเพราะว่าคนก็จ้องหาเหยื่ออยู่แล้วที่จะลุมด่าตอมตอมคุณธรรมนี่มันมันมันค่อนข้างจะขยันมากเลยนะตอมคุณธรรมมีค่อยก็ตุ้นคอยหาเหยื่อมาด่าอยู่เรื่อยๆ ดาในนามของความการรักษาการรักคุณธรรมรักความถูกต้องรักในหลวงเนีย่ยต่อมคุณธรรมที่มันจะทําให้มีมีขา่าวยังอยู่เรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นสักทีแล้วคนก็มาเฉลยใจในต่อมคุณธรรมที่มันมันสร้างความเดิอดร้อนกัผู้คนมากน้อยแค่ไหน หรือว่ามันทํามันพาเราทําในสิ่งที่ถูกต้องหอล่บางทีตอมคุณธรรมก็พาเราทําสิ่งผิดได้นะอย่าไปย่าไปเชื่อมันมากนะให้ความรู้สึกตัวสําคัญเพราะว่าคลั่งไคล้ในคุณธรรมความถูกต้องมันก็ทําให้หลงได้พอหลงแล้วลืมตัวมันก็ทําผิดได้ง่ายขึ้นชื่อว่าลืมตัวเนี่ยโอกาสที่ทําผิดนี่มีสูงมากเลยแล้วความลืนตัวเนื้อเกิดจากเนี่ยเกิดจากตอมคุณธรรมนี่มันทํางานมากไป เรายึดติดถือมันในความมีความถูกต้องมากไปแล้วก็ความยึดติดที่ไม่ค่อยได้กลับมาย้อนดูตัวเองนะว่าเราทําถูกหรือเปล่าไอ้ตอนคนธรรมมันค่อยทําให้เราเห็นหรือเพ่งโทษคนอื่นที่ทําผิดนะแต่ว่ามไม่ค่อยทําให้เราได้หันมาดูตัวเองเท่าไหร่ว่า้เราทําถูกหรือเปล่านอนมันก็ไม่ดูตัวเองนะไปต่อยเขานีิไปหาเขา ป่อยเขเพราะเห็นว่าเห็นแต่ว่ า, เ, าเห็นแต่ว่ามันผิดมันผิดเห็นแต่ว่ามึงผิดมึงผิดเนี่ยไม่ได้เห็นว่าตัวเองทําผิดด้วยหรือเปล่าหรือทําผิดยิ่งกว่าให้ตอคุณธรรมบางคนที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์หน้าอยู่กับโทรศัพท์มือถือก็เห็นแตความผิดของนอ็อตแต่ไม่ทําให้เห็นความผิดของตัวเองที่เป็นลุมยํารุมด่าเขาใช้ถ้อยคําหยาบคายสารพัด ต้องระวังมากเลยต่อมคุณธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปนะมันก็พาเราทำสิ่งที่เลวร้ายหรือชั่วร้ายได้ถ้าเกิดว่าหลงตัวลืมตนไปเพ่งทั่วคนอื่นจนโกรธเกลียดออาชันนี้พูดทษ น, นี้เอากลับฮะ